ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะได้พูดเรื่องกรรมต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วสองครั้งเมื่อวันก่อนนั้นได้นำข้อความในมาหาก ร, รมวิพังกัสสูตคือข้อที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกกรรมขนาดใจเอาไว้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการกระทำของบุคคล ในปัจจุบันจะดีหรือชั่วกระารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คือในกรณีที่เขาทําความดีในปัจจุบันอาจจะเกิดในอบายก็ได้แต่ประการเกิดในอบายของเขานั้นไม่ได้เกิดเพราะความดีแต่อาจจะเกิดเพราะความไม่ดีในอดีตหรือจิตเกิดเป็นมิจฉาทิฐิขึ้นก่อนที่จะดับ ในกรณีที่เขาทาความชั่วอยู่ในปัจจุบันก็อา จ, จะเกิดในสุคติก็ได้แต่การเกิดในสุคตินั้นไม่ใช่เกิดเพราะผลของความชั่วแต่ว่าเกิดเพราะกุศ ล, ลกรรมในอดีตหรือเกิดเป็นสมาธิติิขึ้นในก่อนที่จะดับจิตนี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้ปัญหาเรื่องกรรมบางอย่างมีลักษณะที่สับสน คนผู้ศึกษาเองก็เข้าใจได้ยากว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่มีญาณคือความอย่างรู้ในชั้นที่ละเอียดตึกซึ้งของกรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทีนี้ในชั้นของปัจจุบันก็มีปัจจัยเข้ามาประกอบอีกซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ออกเกี่ยวสําคัญมากหรือสี่ประการเหมือนกันประการแรกท่านเรียกว่าคติ คตินี้ก็มีสองอย่างเรียกว่าคติสมบัติคือหมายความว่าความสมบูรณ์พรั่งพร้อมแห่งคติคำว่าคติก็คือสถานที่ที่เราเกิดโดยนิย่าที่กว้างขวางก็คืออาจจะเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นเรขานเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมนี่คือนิย่าของสังสารวัฏ แต่เราจะพูดถึงนัยยะของชีวิตหมายความธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยท่านยืนว่าคติคือกำเนิดและสถานที่ที่เราเกิดเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญอยู่มากคนบางคนอาจจะอะไรก็ดีพร้อมทุกอย่างพื้นฐานระดับสติปัญญาเป็นต้นก็ดีแต่แกาไปเกิดในคติคือในสกูลที่ไม่ดี หรือในสถานที่ที่ไม่ดีโอกาสที่จะประสบความเจริญก้าวหน้ามันจึงเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นในพวกมงคลชีวิตก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักของมงคลชีวิตในข้อที่สี่เอาไว้ว่าปฏิรูประเทศคือการเกิดการอยู่ในสถานที่ที่มีลักษณะอำนวยให้ บุคคลประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ว่าการจะเกิดในสถานที่เช่นนั้นก็ทรงแสดงไว้ในมงคลข้อที่6เหมือนกันว่าปุเพกะตะปุญญตาคือต้องอาศัยบุญที่เรากทำไว้ในการก่อนเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือแม้แต่ในเรื่องของจักสีีที่ทรงแสดงว่า เป็นดุดยานภาณะที่จะนำคนไปสู่ความสุขความเจริญข้อสุดท้ายก็ปิดด้วยปุเพกะตะปุนิตาคือความเป็นผู้มีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนมันเป็นปัจจัยส่งให้มาเกิดในสกุลที่ดีในสถานที่ที่ดีที่เราเรียกว่าเป็นปฏิรูปประเทศข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5 มีท่านพระครูที่จังหวัดอายุทยาเกิดเรื่องผานาทีตรงกับท่านเพี้ยทุกอย่างไม่มีคาดเคลื่อนเลยคื อ, ค, อ, ค, อคือตรงกันหมดเลแต่ท่านพระครูท่านได้เป็นพระครูต่อมาท่านมาอยู่ที่วัดสังเวสราการที่ห้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินรายการที่ห้าก็มาคุยกับท่านพระครูก็ถือเป็นสาชาติก็คุ้นเคยกันเวท่านพระครูกับผมนี่อะไรมันตรงกันทุกอย่างไห เกิดก็ตรงกันแต่ทำไมมันจึงแตกต่างาากันแต่พระครูท่านบอกว่าท่านไม่ได้ปฏิรูปประเทศคือไปเกิดสึกรางทุ่งไอการที่ห้าท่านเกิดในหวังจุดนี้มันก็จุดที่ห่างไกลกันแต่แตั้ง แ, แ, แต่ตอนต้นแต่ก็มีลักษณะที่แปลกอยู่ประการหนึ่งคือว่าถ้าราชการที่ห้าได้อะไรในลักษณะที่ลอยๆนะคือคล้ายๆกัลาบลอยท่านผู้นี้ก็จะได้ด้วย คราวหนึ่งราชการที่ห้าได้ช้างเผือกท่านประครูได้แมวขาวก็ลดหลั่นกันลงมาแต่ก็แสดงว่าถ้าหากว่าท่านประครูท่านเกิดในปฏิรูปประเทศท่านก็คงไม่เป็นขนาดประครูต้ท่านไเกิดเชื้อไกลได้เกินเนี่ยสบายนั้นก็กลางทุ่งนี่คือเราเสียในด้านคติท่านเห็นว่าจุดนี้เองที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคน คือจุดที่เราเริ่มออกเดินทางนั้นมันห่างกันแต่ว่าเป็นการแข่งมาราธอนไอแข่งมาราธอนว่าที่จริงไอจุดสตาร์ทมันจุดเดียวกันไอชีวิตนั้นก็มีลักษณะของการแข่งมาราธอนเหมือนกันแต่จุดที่ออกวิ่งนั้นเป็นคนละจุดกันบางทีเพื่อนที่ออกวิ่งพร้อมกับเรามันอยู่ข้างหน้าได้ไกลวิ่งยังไงมันก็วิ่งกันไมทัน นี่ก็คือคติเปรียบเหมือนคติที่เราเกิดที่เราอยู่ที่เรายือนอยู่ในจุดขณะนั้นนั่นแหละมันก็เกิดสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ผู้สกูลก็ดีผู้สถานที่เกิดก็ดีนี่บางครั้งบางคราวมันกลายเป็นอุปสรรคก็เรียกว่าคติวิบัติคือคติมันวิบัติจ้ะไปเกิดในสถานที่ที่ไม่มีลักษณะเอื้ออํานวยให้ท่านเหล่านั้นประสบความเจริญก้าวหน้า เพราะท่านจะทําความดีอะไรเอาไว้โอกาสที่จะแสดงความดีนั้นบางทีก็มีไม่ได้เพราะปัจจัยไม่สนับสนุนอาจจะเป็นคนฝ่ายใจในการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจค้นคว้ามีจินตนาการที่บัรเจิดเพลิดเพลิงแต่ไม่มีอะไรมาช่วยหนุนเลยเพราะท่านไปอยู่สักกลางทุ่งมีอยู่สัไกล นี่คือเรื่องคติได้แก่ชาติสกุลสถานที่เกิดนะฮะแต่ความหมายที่เต็มรูปจริงๆคือหมายถึงพบที่เราเกิดเราก็อาจจะเรียงลดหลั่นกันลงมาได้ว่านี่คือปัจจัยประการแรกที่ถือว่าเป็นตัวแปรใหญ่ทําให้บุคคลบางครั้งบางครามันก็เรียกว่าอย่างในสกุลทั้งหลายลองสังเกตในสกุลทั้งหลายว่าสกุลบางสกุลนั้น นันก็เป็นสัมมาทิที่อะไรพร้อมที่จะดีแต่เกิดไปอยู่เส่นในป่าในความเจริญก้าวหน้าหรือว่าท่านจะแสดงความรู้ความสามารถของท่านเกื้อหนุนสนับสนุนแก่สังคมแั่นก็ทำไม่ได้เพราะว่าอยู่ในวงแคบแคบในคติพบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันยางว่าคนที่ตกนรกนั้นว่าที่จริงก็มีบุญอยู่แยะ พระบุญมันก็ตามทำกันมาก็หนุนกันมาแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะรับผลบุญนั้นได้คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับคนที่ศึกษาวิชาวความรู้มามากมายกายกองแต่พอดีมันเกิดทำผิดด้วยมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็เกิดไปอยู่ในคุกวิชาวความรู้นั้นก็ต้องเก็บเงียบไปก่อนมันทำอะไรไม่ได้สถานที่มันไม่ให้พบมันไม่ให้คติมันไม่ให้ แต่จะถามว่าความรู้หายไปไหนก็ยังอยู่ยังอยู่รอเวลาที่จะได้ปัจจัยสนับสนุนและท่านก็สัแดงเรื่องเหล่านั้นออกมาได้นี่คือเรื่องคติตลงว่าคตินั้นในชั้นสามัญที่เราดูได้ง่ายๆนะฮะคือหมายความว่าะกูลสถานที่ศึกษาแล้วก็สถานที่เกิดสถานที่อยู่ตลอดถึงพบชาติภพชาติเป็นอย่างสูง ทีนี่ประการหนึ่งท่านเรียกว่าอุปธิอุปธินั้นก็คือความเหมาะสมได้ด้านสุขภาพพลานาใหมา่อุปธิมันก็มีทั้งสองอย่างเหมือนกันอุปธิสมบัติได้แก่ร่างกายสุขภาพพลานาใหมาดีมีรูปร่างดีผิวพรรณดีอะไรต่ออะไรดีหมดถ้าดีหมดมันก็ช่วยอย่างบางคนบางคนเราจะเห็นว่ามีรูปเป็นซับมีรูปอย่างเดียวมันก็ไปได้เฉีว ไปตังนางงามจั ก, กรวาลยังได้เลไม่ต้องมีอะไรนี่เพราะอะไรเพราะอุปชิมันดีแต่สมมติว่าคนนี้แกไปเกิดไปอยู่ทะในกลางป่าเขาดึกคนไม่พบไม่เห็นมันก็ไม่มีทางจะโผล่ขึ้นมาได้มันคือมันมันช่วยกันอยู่ตลอดเลยพวกนี้ต้องช่วยมาความท่าสมบัติแล้วก็สมบัติทั้งสี่แล้วก็ไปได้ดีคนบางคนนั้นอาจจะเกิดมาในสถานที่ก็ดีนะฮะ แต่สุขภาพพลานาใหม่ไม่ดีเรารูปร่างพิกลพิการไปมันก็กลายเป็นอุปสรรคเป็นตัวขัดขวางที่ให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็นเพราะร่างกายเป็นอุปสรรคบางครั้งบางคราวเราดูตัวอย่างง่ายๆว่านักเรียนที่แก่แกเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ดีอะไรดีพร้อมทุกอย่างแต่ก็จบเจ็บอ ด, อ ด, อดแดดตดอยก็เรียนอะไรไม่ได้ เรือแม้แต่ว่าเกิดแกเรียนดีเรือเกินแต่ว่าก่อนจะสอบก็ป่วยอุปธิมันก็เสียตอนนี้มันก็เสียก็ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะสอบก็สูญเสียเวลาไปท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องอสุขภาพพลานามัยรูปร่างความสวยงามที่ท่านแสดงอะไรสวนนตามีผิวพรรณงามทุสารตามีเสียงดีสุสันทานางมีสวทรงามสุ ร, มสรูปตามีรูปงาม มันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสนับสนุนและแม้แต่พระพุทธเจ้าเราเองถ้าพูดถึงว่าที่จริง ท, ที่ที่านทางานได้เร็วนะครเพราะท่านสมบูรณ์อ่ะท่านสมบูรณ์โดยพระรูปก็คนสนพระไทยดูพระรูปของนั้นคนที่ติดในรูปก็มานั่งดูรูปออาคนที่ติดพระไทยในเสียงพระสุรเสียงไพราะกังวานคนก็ติดเสียงคนที่สนใจในธรรมะก็ติดธรรมะนั้น คนที่ประทับใจในความไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยก็ไปติดในความปอนก็นนั้นคือประพฤติตัวแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรหรูหราฟุ่มเฟือยมันก็ดึงคนได้ในสี่ชิดทางแล้วใครก็ตามถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้มันก็ทํางานได้สําเร็จอย่างพระอานนเองท่านก็เป็นคนรูปงามนะเพราะงั้นท่านทางานได้ดีมากเป็นงานแล้วก็พูดจาไพเราะนิม่มนวลทุกอย่างท่านก็ทํางานได้เดินหน้าได้ดี นี้มันคือปัจจัยประกอบที่เรียกว่าอุปชีรูปร่างกายสุขภาพพลานาไมอะไรอะไ ร, ะไรเป็นปัจจัยช่วยคือดึงดูดคนเข้ามาหาได้และเวลาท่านจะไปทำงานทำการอะไรอะไรเราจะเห็นว่ามันก็ไปได้เนี่ยไปได้ดีถ้าว่ารูปสมบัติได้ดีไปดีมัมีการสูตรสุขภาพร่างกายกันในปัจจุบันจะพบว่า คนบางคนอะไรก็พร้อมมีจิตใจรักชาติอย่างจริงๆจังจง จ, รงจรงพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้แต่ตาบอดสีมันก็เป็นทหารไม่ได้นี่มันเสียตรงนั้นมันเสียอุปธิอาจจะเกิดเป็นลูกนายพลก็ได้แต่มันเป็นไม่ได้เพราะสุขภาพร่างกายไม่ให้นี่เราดูกันได้ง่ายๆว่าตรงนี้ยมันก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ทําให้สำแดงอะไรออกมาไม่ได้ถ้ามันเกิดวิบัติเกิดบกพร่องไปจนเกิดตาบอดเกิด หูหนวกเกิดอะไรอะไรไปเนี่ยเราจะเก่งกาจยังไงก็ตามนะครับเราก็ไปไม่ได้อย่างในหมอใหญ่ท่านหนึ่งปัจจุบันเมื่อก่อนมันมีชื่อเสียงมากปัจจุบันท่านเกิดหูหนวกอุปธิมันก็เสียท่านก็สำแดงฝีมืออะไรไม่ได้ทั้งที่ท่านปราดเปเรื่องเกินเก่งได้เกินนี่คือเรื่องของอุปธิอุปธิมันจะมีทั้งเสียทั้งดีนะครถ้าดีมันก็ช่วยถ้าเสียมันก็ตัดถ้าเสียมันก็ตัดหรืออย่างคนที่ สมมติว่ามีวิชาความรู้อะไรดีสารพัดอย่างแต่ว่าร่างกายพิการจะขึ้นไปอยู่สูงๆมันก็ไม่ได้จะเจริญก้านหน้าไปในจุดสูงๆไม่ได้เพราะว่าปุ ก, กลิกมันไม่ให้ร่างกายไม่ให้ไม่มีสง่าราศีไม่เป็นที่เกรงขามคนอื่ น, นก็ไปไม่รอดถ้าวิบัติแต่ถ้าสมบัติมันก็ช่วยที่นี้อีกประการหนึ่งคือเรื่องของการ การนี้เป็นปัจจัยที่ออกจะสําคัญอีกอย่างหนึงการหมายถึงก็มีทั้งดีและไม่ดีเจนเรายกตัวอย่างว่าเราทําความดีมาเยอะแยะเลดู ง, ง่ายๆดูที่วิชาความรู้ก็ได้ดูวิชาความรู้สมมติเราศึกษามาเรื่องเนี้มีความแตกฉานจริงๆเลยก็มีความจานี้ํานาญจริงๆแต่ว่ายุคนั้นสมัยนั้นตลาดแรงงานไม่ต้องการเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องการเรื่องเหล่านี้นรรนนท่านก็นั่งงกอย่างนั้น มันไปไม่ได้ขยับขะเยืนนไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าวิชาความรู้นั้นมันใช่ไม่ได้แต่ว่าการมันไม่อานวยให้การไม่อำนวยให้วิชาความรู้จึงไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่ท่านได้เรื่องบุญเรื่องกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าเจอการวิบัติการวิบัติคือหมายความว่าการเนี่ยคนไม่ยอมรับคุณค่าทางศีลธรรมทางความดีอะไรตัวใเลยอย่างเงี้ยะ คนเราทําความดีก็ทําความดีไปเราเองเราได้ของเราคนเดียวแต่จะให้สังคมยอมรับนั้นยากเมืออไปทําความดีในหมู่ของคนผ่านนะฮะเราจะทําความดีอะไรบางทีเพื่อนมันใช่ใช่ทั้ทงๆ ท, งทีนั่นก็คือความดีแต่อะไรที่ว่ากาละเทสะมันเกิดวิบัติเพรเราไปอยู่ในแวดวงหรือในกาละในสถานที่ที่ไม่อํานวยให้ความดีของเราปรากฏขึ้นมาได้แต่ทีนี้ถ้าพวกกาลมันสมบัติคือสมบูรณ์ด้วยกาล สมบูรณ์ในการมันเกิดอำนวยผลอำนวยประโยชน์อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันในยุคปัจจุบันในเป็นยุคของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต่างๆเข้ามามีอิทธิพลในการดำรงชีวิตของคนเรามากแต่ในวงการศึกษาของบ้านเมืองเรานั้นก็เน้นไปทางศิละปะทางศิละปะต่างๆคือทางพวก อะไรนี่พวกประวัติศาสตร์พวกวิชาครูพวกอะไรนั่นก็เรียนเกันอยู่อย่างเงี้ยพวกสังคมอ่ะพวกเครือสังคมทั้งหลายคนเหล่านั้นเกิดว่างงานอย่างมหาศาลมากคือเมืองไทยปัจจุบันนี่สายสังคมนี่ว่างงานอยู่47ซก็เป็นแรงงานที่ศูนย์เปล่าแล้วก็การลงทุนที่ศูญเปล่าเพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ยุคที่จะที่จะไปนเน้นในเรื่องเหล่านั้นเราผลิตคนเหล่านี้ขึ้นมา มันก็ไม่อำนวยประโยชน์อะไรก็คล้ายๆกับการผิดของในตลาดอะไรต่างๆเนี่ยแต่นอกท่าการมันไม่อํานวยให้คือไม่ใช่ยุคไม่ใช่สมัยจะนดูร้อนเอาเสื้อหนาวมาขายอย่างเงี้มันก็ขายไม่ออกซึ่งมไม่ได้หมายความว่าเสื้อหนาวไม่มีค่าแต่มันการมันไม่ให้การไม่อํานวยให้ในเรื่องอื่นๆก็ลองนึกเทียบเคียงดูเราจะเห็นว่าการไม่มีส่วนแม้ในการประพฤติปฏิบัติก็ทรงแสดงเรื่องกาลันยุตา่าคือความเป็นผู้รู้จักการ ว่าการไหนควรจะทำอะไรการไหนควรละควรบาเพ็ญควรประพฤติอะไรอะไรเนี่ยแต่อย่าลืมว่าผลของความดีหรือความชั่วนั้นก็นยังมีอแ ก, กอยู่การไม่อำหนยให้แต่นั้นเองยกตัวอย่างคนทาคนทำความดีแต่การเอไม่ใช่ทาความชั่วแต่การแกสมบัตินะฮะคือการแก่ดีตอนนั้นแกนไปอยู่ในตำแหน่งสูงเลยตำแหน่งสูงมีอำนาจบริหารปกครองบ้านเมืองใหญ่โตความชั่ว ไม่มีไม่ปรากฏมีแต่วความดีมีแต่คพนพระนะท่านพระท่านอย่างเงี้ยนะฮะแต่นำรถต่อผุดนี่เราดูตัวอย่างบุคคลไดนะยะคนที่ทำความชั่วเอาไว้มีเบื้องหลังสกโปรกโสมม์ต่างๆดูกันจะจะในปัจจุบันเนี่ยพอตกปับ๊บนำรถต่อผุดยางที่ว่ากรรมมันให้ได้โอกาสให้โอกาสคนนั้นก็ประสบผลกรรมไปไม่ต้องดูที่ไหนดูเมืองไทยได้ นี่ก็คือช่วงหนึ่งที่ความชั่วไม่ให้ผลนั้นเพราะการมาไม่อำนวยแต่พอการแกเกิดวิบัติคือแกเปลี่ยนฐานะนั้นกรรมก็เฮโลมาให้ผลแล้วเราลองดูแต่ความผิดที่กขพูดมาพูดเรื่องก่อนที่จะเป็นใหญ่นะความผิดก่อนที่จะเป็นใหญ่ือขณะที่เป็นใหญ่แต่ก็เอาเรื่องฟื้นมามาลงโทษมาพิจารณามาฟ้องร้องการเรียนรู้ในบ้านเมืองเราก็พอแล้วไม่ต้องไปไกล การสมบัติมันปกป้องไว้พอการวิบัติมันก็เฮโลสารพาลงมาให้ทีนี้บางทีคนทาความดีอย่างที่ว่าทำความดีมามากมายกายกองเกิดการมันวิบัติกาละเทศะนั้นนี่มันเกิดวิบัติคือหมายความว่าความดีเหล่านั้นหรือความรู้เหล่านั้นวิชาการเหล่านั้นในยุคในสมัยนั้นไม่ไม่เขาไม่ต้องการกันเขาไม่ใช้กันท่านก็ต้องรอไปก่อน ดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะท่านจะเห็นว่าอย่างสุนทนพูดหรเนี่สุนทนพูดถ้าเกิดมาย้อนหลังมาอีกหน่อยนะไม่ใช่ยุคนี้ยุคนี้เขาไม่เคยเล่นกรอนอะยุคที่ว่าเขานิยมเรื่องกรอนกันมากแล้วนิยมซื้อหาหนังสือกันเรื่องกราบกรอนโครงฉันกันมากเนี่ยสุนทนพูดถ้าเกิดสมัยนั้นก็รวยแต่ท่านเกิดสมัยโ น, น่นสมัยที่นั่งเขียนกรอนเอาพิมพ์อะไรไม่ไรเครื่องพิมพ์ก็ไม่มีเนี่ยก็เพ ร, ระท่ประทางชีวิตไปแล้วนะั่นเอง ปัจจุบันถ้ามีลูกจิตลูกหาไอ้ลูกหลานรับม ร, รดกก็รวยนะขายพระไฟมณีเล่มเดียวก็ขี้เกียจแต่รวยนีเ่เรื่องการมันเกิดวิบัติการมันเกิดวิบัติไปแกกลายเป็นกวีเอกกลายเป็นอะไรอะไรขึ้นมาก็ในยุคหลังหรือแม้แต่พระมาหากษัตริย์ของเราบางพระองค์เราจะพบว่าบางยุคบางสมัยก็ถูกกระทําย่ยํายีถูกบิดเบือนถูกพูดจาใส่ร้ายจะเสียหาย พอการสมบัติท่านโคนรุ่นหลังระลึกถึงความดีของท่านยกย่องขึ้นเป็นมหาราชนี่เราก็ดูคือาการมันสมบัติมันวิบัติบางทีการไม่เอาเงินบางทีการเอานวยมันก็หนุนช่วยกันไปหรือว่าตัดรอดกันไปก็แล้วแต่การนี้แต่สรุปว่าการเวลานะการเวลาเนี่ยเป็นตัวกําหนดอย่างหนึง่งแต่อย่าลื ม, มาเรื่องความดีแก ต, ต้องโผล่ขึ้นมาต้องโผล่ขึ้นมาเมื่อถึงโอกาสดังนั้นในอัฐานัยสูตรนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลัก เอาไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งกระทำความดีแล้วจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทำดีของตนแต่ก็มีข้อแม่นะฮะว่าต้องเป็นการกระทำความดีแล้วให้ถูกความดีไม่จะทำไม่ถึงดีหรือว่าทาไม่พอดีหรือทาเกินดีซึ่งก็มันไม่ดีสักอย่างถ้าไม่ดีสักอย่างหนึ่ ง, ง, งจะเอาผลเป็นความดีไม่ได้ แต่ถ้าทาความดีถูกดีถึงดีแล้วต้องได้รับผลส่วนจะรับผลเมื่อไหร่ก็องค์ประกอบอย่างที่ว่าองประกอบต่างๆคนบางคนนั้นเราจะเห็นว่าแกอาจจะมีอะไรได้เยอะแยะเลยนะคือน่าจะมอบหมายตำแหน่งหน้าที่การงานให้พิชาความรู้ก็ดีความสามารถก็ดีอะไร อ, อะไรก็ดีแต่ว่าเกิดเป็นคนพิการมันก็เสียที่อุปธิ อุปธิ์ทแกกเสียอย่างดีก็ก็ให้แค่รางวัลให้ยกจ้องให้เงินให้ทองต่นนั้นเองแต่จะให้ตําแหน่งอะไรด้วยก็ให้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายแกเสียทางๆาที่การแกดีนะฮะการแกดีคติแกดีแต่ในในร่างกายแก่เสียอุปธิเทแ ก, กเสียมันก็ตัดรอนไปคือถ้าสีอย่างนี้สมบูรณ์นะอันนี้ก็บ้ามา3มอย่างมามาพอมาถ้าถ้าสมบูรณ์หมดหมดคนนั้นก็ไปได้จิ๋ว แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอาถรรพ์คือเป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่คนซึ่งทําความชั่วแล้วจะได้รับความสุขความเจริญเพราะการกระทําชั่วของตนแตแน่แน่นอนเนื่องจากาเหตุปัจจัยต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วในวันก่อ น, อนคือเรื่องของกรรมผลที่ปรากฏแก่บุคคลในขณะหนึ่งอาจจะขัดแย้งกับเหตุที่ปรากฏก็ได้เหตุผลดังี่กล่าวแล้วแต่เรื่องกรรมแก่จะต้องให้ผลตรงตัวแก่ ถ้าได้เหตุปัจจัยคข้าสนับสนุนหรือได้คติดีนะเรียกว่าคติสมบัติกติดีแล้วก็อุปธิสุขภาพพลานามัยดีร่างกายเหมาะสมแล้วก็การดีก็ได้ดีสามดีต่อไปก็คือประโยค์คะการประกอบกระทมของบุคคล น, นั้นถือว่าเป็นหลักใหญ่เลยเป็นหลักที่ใหญ่ที่สุดมันจะแปลอย่างอื่นได้หมดเลย คือหมายความว่าเราอาจจะเกิดเสี้ยกลางทุ่งคือคติระวิบัติเกิดเจ้าในป่าในเขาในหลืบเขาไม่มีคนรู้จักแต่ก็ดิ้นรนกระสุด ก, กระสน ด, นดิ้นรนกระสวดกระสนขึ้นมาสามารถที่จะก้าวไปสู่ตําแหน่งใหญ่ได้คือมีความเจริญก้าวหน้าได้เช่นอะไรเช่นคนใหญ่ๆโตๆเช่นอับราฮัมลินคอนอะไรเงี้ยแกก็เกิดในกระท่องสูงแต่บื้องต้นคติแกก็วิบัติคติแกก็วิบัติ แต่ว่าประโยคะคือการกระทําแกนี่กระทาดีร่างกายแกก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าประโยคะเนี่ยการกระทําของแกก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทั้งหมดเลยแล้วในด้านของประโยคะเนี่ยมันก็มีทั้งสมบัติทางวิบัตินะคือบางทีไม่ไปเกิดตัดรอนเลตัดรอนความดีอะไรสมมติเราพร้อมหมดเลย เราเกิดมาในสกุลดีมีสุขภาพพราณาไมายดีการนำหน่วยให้ไอตัวเองไปติดยาเสพติดที่นี่ก็เสร็จก็ไปไม่ได้ ท, ท, ทั้งๆ่านทีมันดีพร้อมมาทั้งสามดีแล้วมาแตกที่อตอนการกระทามตัวเองนี่ไปติดยาเสพติดเสียหรือไปกระทาความชัว่วความผิดไปมั่วสุมกับนักเลงอันตภานเป็นต้นก็ไปไม่ไอไอดีสามดีนั้นเกิดช่วยไม่ได้มันเสียที่อันเดียว ตัวตั ว, ต, วตัวประโยชค่าคือการประกอบกระทําของเราในปัจจุบันถือว่าเป็นหลักที่เราจะต้องลิขิตชีวิตของเราเองคืออย่างอื่นนั้นเราจะเห็นว่าคติที่เกิดมันเกิดมาแล้วอจะทําไงมันเกิดมาแล้วเราจะทำํะทำยังไงเราก็ต้องเกิดอยู่ที่นั่นแหละไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้ผลที่จากไอ้ผลที่เราได้เกิดมาได้แต่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตจากหลังหลังจากเกิดเราเปลี่ยนเราได้ออสมมติว่าอุปธิร่างกายไม่ดีใช่ไหม อาจจะพิกา ร, ร อ, อาจจะสมมุติว่ามือขาดส อ, สองมือเนี่ยถ้าการกระทาในปัจจุบันแกเก่งและวแกทาเหมาะสมแก่การแก้ข้าตัวรอดแกได้คนพิเศษพิเศษมีเยอะไปมือขาดสองมือหรือเท้าขาดสองเท้าบางทีไม่มีอะไรแกทําอะไรกับปากแกยังได้นี่นี่มันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความเพียรพยายามคือประโยคะการประกอบกระทำนะฮะความเพียรความเพียรพยายามของเราในปัจจุบันมันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนอะไรได้ทั้งหมด หมายความว่ามันไม่ถึงก็ไปเปลี่ยนในร่างกายที่บกพร่องให้สมบูรณ์หรอกแต่ว่าสามารถที่จะเสริมสร้างสถานะของตัวได้จเจริญก้าวหน้าแต่จะให้เต็มที่มันก็คงยังไม่ได้หรอกอยู่ในจุดที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้การกระทําในปัจจุบันจึงถือเป็นเรื่องใหญ่มันมีทั้งสมบัติทั้งวิบัติทีนี้สมมติว่าคนบางคนแกสมบูรณ์หมดทั้ง3าอย่าง มันก็อยู่ในอะไรอยู่ในประเภทที่เราเรียกว่าสว่างมาก็สว่างไปเลวิถีชีวิตรุ่งเรืองตลอดสายเลยพอสว่างมาสว่างไปเกิดมาในสถานที่ดีในสกุลดีสุขภาพปรานามัยร่างกายสวยงามเหมาะสมแก่ฐานะและอยู่ในกาลเทศะดีทำอะไรก็เหมาะแกะ่การแก่เวลาแล้วก็มีความเพียรพยายามพวกนี้พวกสมบูรณ์พวกสมบูรณ์ แต่ว่าท่านทั้งหลายใจเห็นว่าในแง่ของชีวิตแล้วเนี่ยคนที่สมบูรณ์อย่างนี้มีน้อยมันจะมีลักษณะที่ขัดแย้งกันมันดูเหมือนจะเป็นกฎของธรรมชาติที้ทำไปเราจะพบว่าอย่างนกยูงนี่มันสวยเหลือเกินถ้าเสียงแกเกิดไพเราะแล้วเริ่มมานกยุงจะเสียงไม่น่าฟังเสียงไม่น่าฟังไอ้ด้วง น, วนี่ตัวไม่ได้เรื่องเลยดำเมื่อ ม, มาต่เสียงมันน่าฟัง ธรรมชาติจะให้อะไรแก่คนมาไม่ค่อยจะสมบูรณ์แต่วันไหนแกเกิดสมบูรณ์ก็อยู่ด้วยกันแกอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวคือทั้งสอย่างที่ว่านี่คือกอยู่ในคนคนเดียวคนนั้นเป็นอาชีรยะเป็นคนพิเศษจริงๆแล้วก็สามารถสร้างผลงานที่พิเศษพิเศษขึ้นมาได้สุภาษิตสมัยโบราณนะสุภาษิต ท, ที่เมืองอินเดียเขาก็บอกว่าเทพเจ้าแห่งความงาม กับเทพเจ้าแห่งความดีกับเทพเจ้าแห่งปัญญานั้นจะไม่อยู่ร่วมในที่เดียวกันสมมติว่าแกเกิดอยู่ร่วมกันคนนั้นก็เป็นคนพิเศษเราจะพบว่าคนเรางามด้วยจิตใจงามด้วยนี่หายากสติปัญญาเฉียบแหลมด้วยร่างกายงดงามแล้วก็จิตใจก็งดงามสติปัญญาเฉียบแหลมหายากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมันเป็นหายากแต่นันเอง เป็นประเภทหายากเพราะจะไม่ค่อยจะอยู่ร่วมกันในคนคนเดียวกันมันจะแยกกันอยู่คือแยกกันสร้างปมเด่นให้คนแต่ละคนแต่วันไหนแกเกิดร่วมมันก็สร้างอาัจฉรยิยะบุคคลขึ้นมาในสังคมแล้วก็น้อยตัวนะก็น้อยตัวลงไปโดยลําดับในยุคในในยุคของประวัติศาสตร์เราก็พอพอดูได้ว่าบางยุคบางสมัยก็มีคนประเภทนี้แยก แย่ yeah, พอสมควรนะครับบางยุบบางสมัยก็ขาดแคลนแต่สรุปว่าอย่างไงเนี่เราก็เกิดมาแล้วเราไม่ได้เลือกเกิดมาก่อนแต่เราก็เลือกเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงเอาที่ปัจจุบันโดยการพยายามกระทําในเรื่องความดีสมมติว่าไอการมันจะไอเป็นชสถานที่จะวิบัติไปปัจจุบันนี้ถ้าถ้าหาว่าท่านท่างหลายลองสังเกตเอามาสังเกตมาน้น เราจะเห็นว่าพวกตระกูลผู้ดีเก่าเนี่เริ่มหายหายไปจากสังคมมันมีพวกตระกูลใหม่ๆขึ้นมาขึ้นมามากเป็นพิเศษเลยขึ้นมามากแล้วพวกนี้ลองสืบสาประวัติดูบางคนเนี่ยมาอยู่ที่ไหนม่รกลางป่ากลางเขาวันก่อนไปอ่านประวัติคนคนหนึง่งอันนี้มันอยู่ที่กลางทุ่งอะไรเป็นเด็กมาต่อสู้ชีวิตมาหน้าเอ็นดูมากเลยท่านมาอมยังไงไม่รมาปลดปลดปลดปลดได้ี่ใหญ่โต แล้เป็นคนที่ออกจะพิเศษคือสามารถพูดได้ตลอดเลยขาจดสองคนพูดได้ตลอดเลยขาจดสองคนคนละเรื่องกันนี่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราดูประวัติแล้วเด็กคนนี้นี่คติก็เสียแล้วว่าจริงคติก็เสียเพราะเกิดในป่าแล้วก็ทุกวันบ้านของแกก็ยังเป็นป่าอยู่นะแล้วก็อุปธิดีนะสุขภาพพลานาไมอะไรแต่ออไรดีความเพียรนิแรงกล้าการก็อํานวยให้แก่ แกเดินขอแกไปได้แกก็ได้3อย่างแกก็ไปขงแ ก, กได้ข้อสําคัญว่าตัวปัจจุบันจึงเป็นตัวเป็นตัวสําคัญมากเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในด้านคติในด้านอุปธิคือคือคื อ, ค อ, คอไอไอเรื่องเรื่องถ้ามันเกิดพิการแล้วถึงจะขึ้นไปสูงก็ไม่สูงมากนะแต่ไม่ถึงกับตกตา่าบังก่อนเนี่ยมาไปที่อะไรเขาเรียกว่าองค์การพิทักษ์พุทธศาสตร์ที่จุอาที่อยุธยา นายกองการนั้นเป็นคนพิการนะนั่งรถเข็นตลอดยังหนุ่มอายุเราสักไม่ถึงส0มสิบไ่ เ, เก่งมากเลยคนเนี้ยเป็นพ่อค้ามีกิจการใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเรียกร้องศรัทธาคนชักชวนคนมาร่วมกิจกรรมเพื่อระศาสนากันได้เป็นเด็กหนุ่มนี่แสดงอะไรประโยคนคะแกดีคือการประกอบกระทำในปัจจุบันก็แกดีแกก็สามารถสร้างสถาได้ทั้งที่ว่าแกเองก็นั่งรถเข็นตลอด รู้สึกว่าขามจะตายไปหมดทั้งสองข้างนะครับนี่คือตัวประโยคะประโยค่ให้สมบูรณ์เขาเรียกประโยค่สมบัติคือหมายความมาสมบูรณ์ด้วยความเพียรพยายามมันเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนได้หมดก็เปลี่ยนมาในรูปไหนเปลี่ยนมาในรูปที่เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปสามารที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้ เรียกว่าประเภทที่เรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปซึ่งหมายความว่าคล้ายๆจะไม่มีอนาคตแต่ก็มีอนาคตเพราะเราใช้ความเพียรในปัจจุบันเป็นตัวแปรอีกประเภทหนึ่งคือพวกเขาเรียกวประโยคนันวิบัติดีไปสารพัดแหะเกิดมาในสกุลก็ดีเหลือเกินรูปร่างก็สงา่างามสุขภาพปรานามัมายสมบูรณ์การก็อนวยให้ แต่ประโยคะาไม่เอาไหนนะม่วสูงครุกครีกระทำความชั่วความผิดสารพัดอย่างพวกนี้ก็อยู่ในประเภทอะไรที่เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปสว่างมาแล้วมืดไปพระเจ้าทรงจำแนกวิถีชีวิตของคนไว้เป็นสี่แนวนะที่ว่ามาแล้วสามแนวแต่ที่จริงมาเรียงสับสนกันนะคือคือคือเราเรียงตามเรื่องที่เราพูดที่ที่ทรงเรียงจริงๆเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไป หมายความว่าเกิดมาในสกุลที่ก็ไม่ดีสุขภาพประหาดนาไมยอาจจะไม่ดีเหการไม่อาํานวยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวที่สี่ตัวความเพียรเนี่ยไม่เอาไหนไม่ใช้ความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนเองในที่ถูกพวกนี้ก็มืดมาก็มืดไปอีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปคืออย่างที่ว่ามาแล้วอาจจะเกิดยังไงก็ตามรูปร่างอาจจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ แต่การอํหน่วยให้ความเพียรพยายามในปัจจุบันดีก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ในทางศาสนาพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้กำหนดความดีของบุคคลอยู่ที่ปัจจัยอย่างอื่นแต่กำหนดไว้ที่การกระทำกำหนดการกหนดที่การกระทาของบุคคลว่าบุคคลจะเป็นคนดีพระชาติสกุลก็ไม่ใช่จะเป็นคนเลวพระชาติสกุลก็ไม่ใช่ แต่ก็เป็นจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็เพราะการกระทําก็หมายความมาเน้นที่ตัวประโยคะคือการประกอบกระทําของบุคคลในปัจจุบันว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางลบทั้งบวกนะก็แล้วแต่ทีนี้บุคคลประเภทที่สคือประเภทที่เรียกว่าสว่างมามืดไปก็คือนั้นนันทิกามัแล้วมาความสมบูรณ์หมด3ามอย่างแต่ถึงตัวประโยค่าเสีย ไม่ประกอบกระทำความดีเหมือนก็บคล้ายๆกับคนที่รับมรดกเงินล้านหรือหลายล้านมันก็ตามนะฮะแต่ว่ามีแต่จ่ายไม่ประกอบความดีมันก็จบมันก็จนได้ในวันก่อนนี่ค น, คนคนใกล้ๆที่บางลาพูนี่นรับม ok รดกตั้งสี่ห้าล้านนสี่ห้าล้านรู้สึกว่าจะปีก ว, ก, วกว่าเรียบก ว, กว่าเรียบตุกวันนี้ไปทำงานอะไรแล้วกวาดขยะยี่ คือคือคืออะไรศิริไม่อยู่ร่วมสิริไม่อยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นแล้วก็บุคคลประเภทที่3นะั้นที่4ี่ก็คือสมบูรณ์หมดนะฮะสมบูรณ์หมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเพียรพยายามในปัจจุบันก็ทำให้เป็นคนประเภทสว่างมาแล้วสว่างไปวิถีชีวิตของคนเรามีลักษณะอย่างนี้แต่ท่านจะพบว่าวิถีชีวิตที่ตื่นเต้น ที่เราใจแล้วก็ถือกันเป็นแบบมากที่สุดก็คือประเภทที่มืดมาและสว่างไปคือเกิดมาจากทุลีดินแล้วก็ <c oughs> พยายามช่วยตัวเองยกฐานะของตัวเองขึ้นไปส่วนมากเป็นแบบชีวิตที่น่าศึกษาแล้วก็คนก็มกกักจะอยู่ในประเภทนี้มากทียด้วยคือหมายความว่าประชากรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะอยู่ในประเภทนี้ส่วนมากแต่ปัญหาว่าแกจะขึ้นมาหรือไม่ขึ้นมาแต่นั่นเองเด็กกว่าประชากรแปดสิบเซนก็อยู่ในแถบนั้น ในแถบที่มืดมาก็อยู่ฐานะอย่างดีก็ยากจนก็กลางๆธรรมดาธรรมดาคนรํารวยจริงๆก็มีน้อยแล้วก็เกิดในชนบทเกิดในชนบทที่ห่างไกลในปฏิรูปประเทศก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าคนจากจุดนี้เขาจะปรับตัวเองขึ้นมาด้วยความเพยายามแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของตนได้และจุดนี้แกจะกระจายตัวเองออกไปนะฮะกระจายตัวเองออกไปแม้ในช่วงที่เป็นเรื่องใหญ่ๆ ตัวประโยคะการประกอบกระทำของบุคคลนั้นเองในปัจจุบันมันกลายเป็นตัวเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบแล้วก็ด้านโบกนะเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบลด้านโบกยกตัวอย่างว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราถือว่าการในวิเศษคติคือสถานที่คนเกิดร่วมบริเวณในพระเจ้าเผยแผ่อยู่นี่เรียกว่าวิเศษมากเลยการเอ่คติก็ดีมากเลยการก็ดีมากไอสุขภาพพรานาไมยไอสุขภาพร่างกายนะ่ะก็แน่นอนแหละ ถ้าหากว่าบกพร่องไปคือบวชไม่ได้มันก็บาเพ็ญเพียรไปอย่างอื่นได้อย่างท่านสุปปัพุตตกุตินี้ที่จริงท่านก็บวชไม่ได้เพราะท่านเปนโรคเรื้อนแต่ก็ท่านอาศัยอะไรอาศัยคติคือสถานที่ท่านเกิดอาศัยการอาศัยความเพียรพยายามของท่านท่านก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นี่แสดงมันวิบัติอยู่อย่างหนึ่งคืออุปธิด้านร่างกายของท่านวิบัติแล้วอีกสามอย่างนั้นไปของท่าน แล้วก็เป็นพระยาบุคคลจันพระโสดาบันนะฮะจันพระโสดาบันนี่ในแง่ของพระเรียเจ้าในทัศนคของพระเรียเจ้าไม่ใช่ว่าทัศนะของคนที่อยากรวยนะทัศนคของพระเรียเจ้าบอกว่าดีกว่าสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิดีกว่าสมบัติในตระกูโลกเลยเพราะอะไ ร, ระสมบัติเหล่านั้นเราจะสบุญสุขอยู่ได้ชั่วคราวแล้วต่อไปก็ปล่อยคนอื่นก็ยื้อแย่งกันแต่สมบัติคือโสดาบันติมรักนั้นเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราพวกนี้คือวิบัติสามอย่างไม่ใช่ ออดี3อย่างวิบัติเสหนึ่งอย่างท่งานก็ไปกับนได้ทีนี้บางทีในชั้นของบารมีธรรมบารมีธรรมที่สร้างมาเนี่ยคือทำให้เราได้จับหลักได้อย่างคือมานี่ศึกษาไปแล้วก็พยายามสังเกตจากหลักที่เป็นพระพุทธวจนะต่างๆเพราะว่าไอ้ที่เราเรียนก็เราเรีย น, เ ร, เ, รยนเราฟังมาเราฟังแต่เราต้องคิดด้วยเราต้องเทียบเคียงด้วยคนประเภทหนึ่งก็เรียกว่าปัดชิมพระวิกษัตย์ คือคนที่เกิดมาในชาติสุดท้ายเมื่อก่อนนั้นเราเข้าใจว่าคนที่เกิดมาในชาติสุดท้ายนั้นจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนแต่ไปพบแล้วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนมันมีอยู่สองประเภทประเภทแรกนั้นคือตายตัวเลยท่านเหล่านี้จะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกับฝีที่ที่กรัดหนองเต็มที่กระทบนิดเดียวนั่นเองหนองออกแม้ท่านจะตายนะฮะก่อนจะตายต้องบรรลุมรรคผลนิพพานไปก่อน หมาความว่าอะไรหมายความวาคติท่านดีแล้วก็ร่างกายสุขภาพพลานามายัยดีการดีประโยค้นั้นจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่นะฮะคือคือคือว่าคนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยมันก็มีอยู่4แนวพวกนี้ปฏิบัติลําบากรู้ได้ช้าพวกหนึ่งปฏิบัติลําบากรู้ได้เร็วพวกหนึ่งปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าพวกหนึ่งปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็วพวกหนึ่งอันนอยู่สี่พวกก็แล้วแต่ท่านนะแต่สรุปว่าไอความเพียรซึ่งเป็นตัวที่สี่เนี่ย จะหนุนให้ท่านทำมากหรือทำน้อยก็ทำแต่ท่านจะบรรลุในชาติานั้นอีกชาติหนึ่งนั้นประโยคะเนี่ยมันเปลี่ยนมันแปลมันสลายแม้แต่บารมีสลายแม้แต่บารมีได้เลยการกระทำของเราในในปัจจุบันตอนนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าให้พระอานนท์ฟังเองพระานนท์กับพระพุทธเจ้าเสด็จไปบินทบาตแล้วก็ไปพบอขอทานแก่สองคนผัวเมีย พระเจ้ารับสั่งอานนท์เธอเห็นเขาทานสองคนไหมอานนท์ก็กราบถุนมาเห็นพระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าสองคนนี้น่ะเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีสมบัติฝ่ายละแปดสิบโกรดด้วยกันลูกโทนทั้งคู่เลยทั้งสองฝ่ายพ่อแม่นั้นกลัวว่าลูกจะเหน็ดเหนื่อยกลัวจะลําบากให้เรียนนั้นก็กลัวว่าลูกจะลําบากให้เขียนหนังสือกลัวมือลูกจะช้าเลยแม่เรียนอะไร มีแต่เต้นรำสนุกสนานอะไรก็ลูกเสร็จีก็ถือว่าเงินเราสมบัติเรานี่ใช้จ่ายยังไงไม่หมดหรอกมันตั้งตั้งแดกด8 0ดกดแ0ร้อล้านนะฮะต่อเทียบเงินไทยในปัจจุบันก็คงจะหลายน ะ, ะใครมีเงินขนาดนั้นก็ติดในสอ้ากเขาด้วยอันนี้ท่านเราเนี้ยต่อมาเขาก็เอามาแต่งงานกันทั้งสองคนผัวเมียเนียรวยแต่งโง่ด้วยกัน รวยแต่โง่โง่พอๆกันนะเพราะไม่เคยศึกษาะเรียนอะไรเราจะเห็นว่าอะไรคติก็ดีมดนะฮะคติก็ดีอุปธิก็ดีการก็ดีแต่วิบัติที่ประโยคะประโยค่ะคือการประกอบกระทำขั้นแก่ต่อมาเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ทำยังไงก็ทำไม่เป็นนะมันไม่มีอะไรทำเป็นก็มีแต่จ่ายจ่ายจ่าย จ่ายทราบกันไปคนก็เห็นว่าเออมันข้าวถากระทางก็มาเกาะกลุ่มบริษัทบริวารเยอะเสนอแน่เที่ยวยังงั้นสนุกอย่างนี้กินนั้นเล ย, ยเพักเดียวในสุดก็จนและพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าอนุตสองคนพวเมียนีนะาหากว่าอาศัยกองทุนซึ่งมีเท่าไหร่ละ160ร้อยหกกดะครับร้อยหกสิบกดประกอบกิจการงานอย่างคนอื่นเขา จะร่ำรวยเป็นเรียกว่าอัครมหาเศรษฐีถ้าออกบวชถ้าออกบวชผัวจะบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์เมียจะเป็นอนาคามีหมายความในปฐมวัยนะฮะตอนตอนตอนยังนมนมอยู่แต่ก็ไม่เอาทั้งสองอย่างคือเสื่อมหมดทั้งสองอย่างทรัพย์ก็เสื่อมไปบารมีก็เสื่อมไปแต่คนทั้งสองนี้ก็ประมาททีย ต่อมาถ้าประกอบการงานในมัชชิมวัยซึ่งเงินก็ยังมียังมีอยู่เยอะนะฮะอย่างน้อยก็80ดกะจะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้ถ้าออกบวชผัวจะเป็นอนาคาเมียจะเป็นสกิตาคาก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสองอย่างอีกประมาทอีกในในมัชชิมวัย ในปัจฉิมอวัยท่าสำนึกตัวได้กลับตัวได้ทันเอาเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกิจการงานจะเป็นครูบาดีที่มั่งคั่งคนนึงถ้าออกบวชผัวจะเป็นสักกิธาคาเมียจะเป็นโซดาก็ไม่ตั้งสองอย่างอีกไม่ตั้งสองอย่างอีกแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้ก็ประมาทหมดทั้งสามการ จึงเสื่อมจากโลกิยาสมบัติได้โลกุตระสมบัติโลกิยาสมบัติก็เสื่อมโลกุตระสมบัติก็เสื่อมก็เสื่อมหมดรับสั่งว่าเหมือนกันนกกระเรียนแก่ที่มันมีปีกก็เชี่ยนแล้วก็ไปอยู่ในหนองน้ําที่ปลาก็ไม่มีจะกินน้ําก็ไม่มีจะดืม่มมานับบรรใต้มันอยู่อยู่นับบรรตายแต่นั้นเด็กนี่จะเห็นได้ว่าทุกอย่างนั้นดีหมดมาสามอย่างเสียที่ประโยค์ค่า เสียที่ประโยชครับแกก็ไปไม่รอดแล้วก็กลายเป็นจากหมาเศรษฐีร้อยหกสิบโกดมากลายเป็นขอทานนะฮะหล่นเรียกว่าตกลงมาจากปลายสุดมันลงมาต่ำสุดจมไปในดินด้วยนี่คือประโยชน์ข้าบิบัตินะฮะประโยคน์ข้าบิบัติแต่ทีนี้ในกรณีที่ประโยคนาสมบัติประโยคนาสมบัติหมายความว่ากติอาจจะไม่ดีนะแต่การดี การดีอุปธิดีแล้วท่านเล่าถึงคนคนหนึ่งที่ยุลันเตวาสีคือเป็นคนรับใช้ของจุละกะเศรษฐีท่านผู้นี้เดินไปกับเศรษฐีแล้วพบหนูตายตัวหนึ่งเศรษฐีก็ชี้ไอ้หนูตัวนี้เศรษฐีเป็นเป็นเป็นผู้ศึกษาทางไอ้โหราศาสตร์บอกว่าถ้าใครเอาหนูตัวนี้ไปลงทุน จะสามารถสร้างสมบัติขึ้นมาได้แกก็คิดว่าเศรษฐีคงไม่พูดพล่อยๆเลยก็เอาหนูไปขายแต่มันถามจะขายยังไงไปขายให้เจ้าของแมวก็ได้ตามมานิดหนึ่งแล้วก็เริ่มเอาไอ้เงินจากไอ้ขายหนูให้เจ้าของแมวเนี่ยแล้วก็ไปตั้งเป็นทุนแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยโดยลําดับในระยะไม่กี่ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่มีเงินเป็นแสน แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยตัวความคิดแกก้าวหน้ามากนะคนนี้ก็คล้ายกับมักกะโทในเรื่องมักกะโทนะ่ะ แ, แ, แนวคล้ายคลยกันเปลี่ยนแปลงได้เร็วแล้วในที่สุดแกก็นึกว่าไอ้เงินเหล่าเนี้แกก็ได้มาจากเศรษฐีเป็นคนแนะนําให้แกบอกทางให้แกแกะกะ็สํานึกคุณกับเศรษฐีก็แบ่งไปให้เศรษฐีครึ่งหนึ่งเศรษฐีลืมไปแล้วนะเรื่องพูดเศรษฐีว่า เงินนั้นได้มาจากไหนแกก็เล่าข้อความมาบอหได้ฟังเจติว่เออเด็กนี้เข้าจีเด็กนี้เข้าจี่ เ, เขา้เขาใจคิดเข้าใจทำเจตีก็มีลูกสาวคนเดียวเลยก็ยกลูกสาวให้เลยก็ได้อะไรครับบุญมาว่าสนานช่วยคือประโยคะมันดีประโยคะการกระทําของบุคคลคนนั้นแหะก็ดีก็กลายเป็นตัวเปลี่ยนแปลง ที่ผลกรรมที่มันเกิดสับสนกันในชีวิตของคนเราซึ่งที่จริงมันไม่สับสนนะฮะเราสับสนของเราเองเราสับสนของเราเองเพราะเหตุผลนี่หลายอย่างจากเงื่อนไขที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็อย่างหนึ่งนะฮะนนี้ก็ต้องว่ากันทั้งสามชั่วโมงคือให้ลองสังเกตว่าที่เรากระทํานั้นประการแรกคือเรื่องของกรรม บางทีนั้นเราทำดีแต่เราไม่รู้อะไรคือความดีจึงทำไปแล้วไม่ถูกดีไม่ถึงดีหรือเกินดีซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่การทำความดีแล้วเราก็ต้องการผลอีกประการหนึ่งนั้นก็คือว่าเป็นความใจร้อนเป็นความใจร้อนที่ต้องการได้ผลเร็วๆอย่างดูเหมอมาเคยเล่าฟังในตอนพุกข้างล่างเนี่ยบอกว่า วันอะไรก่อนที่สลา ก, กินแบ่งจะออกะถ้าท่านไปเที่ยวแถวบางลําพูนี่คนจะตักบาทมากเป็นพิเศษอธิษฐานในจังไงเราเสียวหลังเลยไม่รู้โยมอธิษฐานว่าอย่างไงอธิษฐานถูกสลา ก, กินแบ่ง น, นะ น, นั่นนะวันที่หนึ่งลงทุนข้าวขันเดียเองแล้วก็รุ่งกระเช้าจะเอาแล้วจะเอาผลเนี่ยตักบาทตอนวันนี้รุ่งกระเช้าจะเอาสลากินแบ่งวันที่หนึ่งนี่คือลักษณะความโลภที่มันจัดใจร้อนโดยไม่นึกถึงเหตุถึงผลอะไรเลย ไม้ไตั้งเหตุตังผลอะไรลักษณะอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเกิดเข้าใจว่าการกระทำดีแล้วไม่ได้ดีคือใจร้อนพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเหมือนบุคคลหวานพืชชนิดใดชนิดหนึ่งย่อมได้ผลชนิดนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วอุปมาเมื่อการหวานพืชเราต้องไม่ดูที่พืชแต่เราต้องการจะเข้าใจเราต้องไม่ดูที่พืชพระทรงอุปมาเหมือนกับพืช พืชนะมันก็พูดอยู่กับชนิดของมันชนิดของพืชอะไรก็ตามที่อายุการให้ผลมันสั้นให้เราสังเกตว่าผลมันน้อยผลมันน้อยเราก็ค่ามันน้อยอย่างพวกผักกาดก็ดีพวกพริกพวกมะเขือก็ดีเนี่ยช่วงให้ผลมันสั้นแต่ว่าผลราคาก็ไม่เท่าไหร่บางสิ่งบางอย่างนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามมาก อนนีของพืชบางอย่างใช้ความเปลี่ยนพยายามมากช่วงระยะเวลาที่จะให้ผลนานแต่เวลาให้ผลแล้วแก่ให้ผลเป็นวัตจักรอย่างพวกต้นยางพาราต้นไม้ยืนต้นนะฮะสรุปพวกไม้ยืนต้นทั้งหลายมันก็ให้ผลเป็นวัตจักรมันก็แกหมุนให้อยู่ด้วยมันก็คุ้มนะคุ้มให้ผลคุ้มแต่ว่านในขณะเดียวกันเราจะเกณฑ์ให้มะม่วงไปให้ผลทันทันแกประกาศที่ปลูกพร้อมกันมันก็ไม่ได้ มันเป็นคนเป็นคนละชนิดแต่กรรมก็คือกรรมคือพืชก็คือพืชวันไหนแกปลงรก ร, รูกอะไรก็จะให้ผลอย่างนั้นจะไม่มีการขัดแย้งกันในตัวแม้ในปัจจุบันที่เขาบอกว่าปลูกมะม่วงต้นเดียวมีลูกหลายชนิดไอ้พวกต่อตาอะไรอะไรนะฮะอันนี้ท่านจะเห็นว่าไอ้กิ่งไหนพันไหนมันก็จะออกลูกอย่างนั้นยังเหมือนเดิมอยูน่นะฮะยังเหมือนเดิมถึงแม้จะเล่นไปต่อตาตามวิธีการสมัยใหม่ก็ตามนะผลของกิก่งไหนมันก็ให้ผลตามนะั้น ก็แสดงว่ากิ่งที่มาต่อนั้นมันก็เอามาจากต้นอีกคนละต้นกันก็มาต่อกันต่อกันต่อกันก็เวลาออกผลก็ออกผลตามชนิดของแกอยู่นั้นแหละยังไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะประเดี๋ยวจะว่าเออก็เห็นมะม่วงบางต้นให้ผลได้มากมายเมื่อรู้สึกจะสองสวันนี้เขาเข า, เขาไปทดลองเอาให้เอาต่อตากันก็ยังเหมือนเดิมะคือคนละกลิ่งกันอยู่นั่นเองอะคนละกลิ่งกัน นี่คือคือหลักที่ต้องจับไว้อย่างหนึ่งว่ากรรมที่บุคคลกระทําเอาไว้นั้นจะเป็นอะไรก็ตามแกจะต้องให้ผลตามตามประเภทตามชนิดตามลักษณะตามสภาพของแก่แกจะไม่เปลี่ยนตัวแก่แต่จะให้ยังไงก็ขึ้นอยู่ชนิดของกรรมทีนี้ของกรรมเหมือนกับชนิดของพืชดูตัวอย่างชนิดของพืชไว้จับหลักที่ชนิดของพืชไหแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ประการที่ออกจะสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งได้พูดมาในวันที่วันแรกนะฮะว่าเวลาได้ผลไม่ดีมาเราไปโยนให้ดวงให้เคราะห์เวลาได้ผลดีมาเราก็ไปโยนให้ดวงดวงดีเคราะร้ายหรือบางทีก็ดวงจูเคราะดีก็ก็กแล้วแต่จะพูดคือสรุปว่าไปเน้กว่าไอ้สิ่งที่เราได้นั้นคือได้มาจากภายนอกแต่ถ้าเราโยงให้ดีนะ ถ้าเราโยงให้ดีเราจะพบว่ามันก็เหตุเกิดขึ้นจากเรานี่เองเราทำของเรามาเราก็ได้ของเราทั้งสายขวายดีและฝวายไม่ดีต้องโยงให้ได้ในตอนนี้คนบางคนที่ประสบผลของกรรมข้าวเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแปลงเลยนะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปเลยเพราะว่าเห็นผลกรรม มีท่านผู้หนึ่งเป็นคนจีนตายสลบไปตายสลบไปแล้วก็ไปรู้ว่าตีตัวเองเผากระดาษเงินกระดาษทองเล่มาแต่กองขี้เท้าเป็นกองกองอยู่เลยนี่เรื่องก็ยาวนะฮะคนที่สุราชเป็นคนจีนชื่อเฮงแล้วพอแกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยกลับตั้งตัวใหม่ออกบวชเรียนตั้งๆที่พูดไทยยังไม่ค่อยชัดเทไหรออกบวชเรียนแล้วก็ลูกตาแกให้บวชหมดนะ แล้วก็เห็นผลศียผลทานเห็นผลเสีลผลฐา น, น, ฐานเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้รับผลจริงๆอย่างเรื่องที่แพร่หลายนะนา น, น, านมารู้สึกเกืสองปีมาแล้วที่ยามาเคยเล่าให้ฟังไม่ถึงสองปีนรับเคยเล่าให้ฟังทีเรื่องครูบุญชูครูบุญชูที่อะไรอ่ะพิจิ ต, ทจตอทีกกพ่พิจิตหรือที่รู้สึกเกยพิจิตนะพิจิตเรื่องรบบรีเนี่ย คนนี้เป็นครูที่ไม่ค่อยมีพื้นความรู้ในด้านศาสนาแล้วก็ตายสลบตายไปนะฮะไม่จะสลบตายผีพระสวดมาแล้วพระสวดกันแล้วามาฟื้นขึ้นมาแล้วแกมาเล่าให้ฟงังหนังสือนี้พิมพ์แจกกันเป็นแสนๆนหลวงพ่อวัดเจโซธรเนี่ยพิมพ์แจกเยอะและ้วทหารที่ฐานป่าหวายนะก็พิมพ์แจกเยอะในงานทอดกรินเล่มเล็กๆ แกมาเล่าให้ฟังว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆที่แกทำเอาไว้นะฮะหมายความที่แกเคยทําบุญด้วยสิ่งเหล่านี้ตรงเนี้ยมันไปพบสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ที่ที่เขาบอกว่าแกจะมาเกิดในสถานที่นั้นนี่ก็คือเรื่องคือบางทีมันก็ก็รอเวลาแต่ไอการจะไปเกิดอย่างนี้จะไปยอมมาต้องให้ตายแต่ก่อนจึงจะพิสูจน์จะไปเสี่ยงอย่างนั้นมันเสี่ยงมาก มีคนคนหนึ่งที่ที่ฝั่งทนเนี่ยใกล้วัดบุพผารามเป็นอุบาสิกาวัดบุพผารามทุกต่อมาท่านบวชชีแล้วก็ตายนะท่านผู้นี้เกิดมาชาติหนึ่งนี้เรียกว่าตอนเสะสาวนะไม่ยอมแม้แต่ว่ายพระไม่ยอมว่าพระไม่ยอมทําบุญแม่นั้นเป็นอุบาสิกาที่เคร่งครัดทําบุญตักบาตรทุกเชาแกไม่ยอมไม่ยอม ไ, ไอายพระแกต่อมาวันหนึ่งแม่ไม่อยู่ เลยสั่งลูกบอกว่าถ้าแม่มาไม่ทนันนลูกจะตักบาดด้วยไปพระม า, าพอพระมาแกก็ตรีตลาบพราะจะทำไงแม่ก็ยังไม่มาก็ก็ไปตักไปตักแล้วก็แม่ก็ตักแม่สั่งให้ไปหยิบกล้วยน้ำว้าที่ที่เก็บไปด้วยเอาไปใส่บาดปรากฏว่าไอ้กล้วยนั้นหนูไปกัดท่อนนึงแกก็เลยมีดเฉือนออกก็ได้สองลูกกับครึ่ง เอาไปทูตัวให้ยไข่เค็มไงไข่เค็มตัวเอ้แกฟองนลยแล้วก็เอาไปตักบาตรก็เรื่องมันก็เสร็จไปแค่นั้นแหะต่อมาเนี่ยแม่แกตายแล้วก็สั่งเสียลูกเอาไว้มากให้พยายามทําความดีตั้งารจะพบแม่และอะไรเนี่ยแต่แกก็ไม่ได้ทาอะไรแล้วก็ตายไปมันค่ายขึ้นสูงนะฮะค่ายขึ้นสูงตายไปแล้วก็ เรื่องแกเล่าที่หลังว่าไปพบกับแม่ก็เห็นแม่ก็จําได้มาแม่แต่แม่สวยขึ้นแล้วมีคนแย่เลยแต่บริบาลแม่เนี่ยบ้านช่องหน้าอยู่หน้าอาศัยแก่หิวนะเพราะว่ากินข้าวไม่ได้มาหลายวันก็เห็นเป็นของแม่ก็แม่ไม่ได้บอกหรอกก็ไปหยิบไปนั่นหยิบไปนี่หยิบมันหยิบไม่ขึ้นนะฮะอะไรก็ตามหยิบไม่ขึ้นก็ตรงกันที่เรื่องแจ็คเ่งที่ว่าแต่ว่าเรื่องมันยาวนะฮะมาจะสรุปเฉยๆแม่ก็บอกว่าไม่ใช่ของแก่หรอก แกกินไม่ได้แกก็น้อยใจนะว่าแม่แม่ขนาดว่าของจะกินหน่อยก็ยั ง, ยงบอกกินไม่ได้แม่แกบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วนี่ต่างคนต่างต่งกินนะใครมีอะไรก็สวยผลบุญเพราะว่าไอ้ความสุขในระดับสวรรค์เนี่ยเป็นการสวยผลบุญของแต่ละคนของแกนะ่ามีอยู่ข้าไปดูที่ในห้องข้าไปดูในแกจำได้เลยนะมีกล้วยสองลูกกับพ่อนหนึ่งแล้วก็มีไข่ฟองหนึ่งข้าวขันหนะ่ง จ้ำได้แม้แต่ขันเนี่ยแล้วก็จําจำเป็นต้องกินเนะี่ยจำเป็นต้องกินไปเพราะหิวมากกินไปก็น้าตาไหลเลยแมะเรา น, นี่เกิดมาชาติอันนี้ขนาดนี้แล้วก็ได้แค่นี้เองก็มาถึงก็แม่แกก็เตือนเบอร์นี้คนเราในอุตสาห์สร้างสมคุณกุศลเอาไว้มันจะไปได้เป็นที่พึ่งนะฮะอย่าลืมว่า พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าปุญญาณิปรโล ก, กัสมิงปฏิท่าหนติปานีนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทางหลายผู้บำเพ็ญบุญทางในโลกนี้และในโลกอื่นนะฮะประโล ก, กัสมิงโลกอื่นนะฮะไม่ใช่คำว่าโลกอื่นหมายความว่าอื่นจากโลกนี้ดังนั้นเวลาเทวดาก็จะสิ้นอายุนี้มันมีปุญยักขยียดไคือสิ้นบุญเวลาก็จะจุตินี่ยหมายความว่าบุญที่จะเสวยมันหมดมันก็อยู่ไม่ได้ บุ ญ, ญยักขยเนะนั่นเรียกว่าสิน้นสิ้นพระบุญต้องยุติพระบุญอุบาติกาถนอมพอฟังแม่แล้วก็บอกว่าถ้าถ้าลูกได้กลับไปเนี่ยตั้งใจจะทําบุญนะทีนี้จะทําเหมือนแม่จะมาอยู่กับแม่แล้ว ก, กว็ปรากฏว่าแกก็ฟื้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยไม่ยอมแต่งงานแล้วทีนี้เอาเริ่มทําความดีมาเรื่อยเลยแล้วก็พอถึงก็บวชชีเป็นอุบาติการักษาศีลภาวนานั่งกรรมฐานแล้วทีหลังในไปเรียบร้อยแล้วก็ จิต ใ, ใจก็ผ่านความสงบสะอาดไปได้ยะนะฮะนี่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นผลกรรมมาแต่ให้ช่วยคนอื่นก็โยงให้นะอย่างนั้นนะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราต้องโยงกับเราเองได้โยงเหตุโยงผลผลเกิดขึ้นต้องโยง้าไปหาเหตุและจะมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในชีวิตประจำวัน คนเราไม่ไม่ควรไปคิดอยังไงยังไงเราก็เกิดมาแล้วเราไม่ได้เลือกมาเองอย่างที่เคยบอกว่าที่จริงเราเลือกเกิดได้นะแต่เราก็ไม่เลือกมาเองแล้วเราเกิดมาแล้วแต่ในปัจจุบันนี้เราก็เลือกได้เลือกที่จะดำเนินชีวิตเลือกที่เอ่อเลือกที่จะกระทำที่จะไอเอาเอ า, เอาประโย ค, าค่าคือความเพี่ยนพยามในปัจจุบันเป็นตัวแปรทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่ร่างกายจะพิกลพิการไปบ้างมันก็พร้อมที่จะใช้ความเพี่ยนแปลได้เกยยกฐานะให้สูงขึ้น ดังนั้นในเรื่องหลักของกรรมหลักที่ควรจะจับประการแรกก็ ค, rifle, คือว่าเรื่องการกระทํานั้นเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลนั้นเป็นเรื่องของกรรมเราต้องแยกให้ออกว่าเรามีหน้าที่กระทำเท่านั้นแต่ว่าผลนั้นเป็นเรื่องของกรรมเราจะให้เมื่อไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับชาวนาหน้าที่ไถนาไถน้านําข้าวนาทดน้ำไถน้ําข้าวทดน้ำออกาการหวานกล้าการดํากล้ า, าเป็นหน้าที่ของชาวนา แต่ข้าวกล้าจะออกผลเมื่อไหร่นั้นเป็นหน้าที่ของกล้าต้นต้นข้าวชาณาจะไปบังคับกาเกนให้ปลูกวันนี้จะตั้งตั้งท้องพุ่งนี้มรืนนี้ออกรวงเป็นไปไม่ได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อถึงเวลาแล้วข้าวนั้นจะต้องออกรวงเป็นข้าวนี้เป็นของแน่นอนเรื่องของกรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกรรันพันสูตรง่ายๆก็คือการกระทําเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลนั้นเป็นเรื่องของกรรมใน เ, เรื่องของกรรม และกรรมจะไม่ให้ผลขัดแย้งกับเหตุที่เรากระทาลงไปและกรรมจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และก็ในโลกอื่นพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นกรรมนิยมที่ควรจะจับหลักเรื่องของกรรมเอาไว้จับใดที่ยังเวรวายตายเกิดในทั้งสารวัตนะฮะเรื่องของกรรมถือว่าเป็นเรื่องหลักและก็พร้อมที่จะเป็นตัวแปรอย่าลืมปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของเราอดีตเป็นเรื่องของผี นะอนาคตเป็นเรื่องของเทวดาปัจจุบันเป็นเรื่องของเราเพราะงั้นปัจจุบันในพร้อมจะแปลเปลี่ยนอะไรได้ทั้งด้านบวกและด้านลบก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้